เหมือนน้ำดังไฟอภิวัน์ชัย ขอให้เคลื่อนเคราะห์เดือนขอให้คลายเคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวาษ จับผ้าเคราะหตัวไหนจับผ้าคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะปีขอให้เกลื่อนเคราะเดือนขอให้กลายเคราะวันขอให้ ขอวันเพราะปีขอให้เรือนเราะเดือนขอให้คลายเพราะวัน จะพาเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดำไฟอาภีวัน ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยศภาคภนัมภาลาพังภวันตุเมรับคันตุสุราบคัน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 a uh m -huh. รอบตัวนอกสับพะครอบตัวในสับพเครอบตัวใดๆขอให้คลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีขอให้เกลือนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ําดับไฟอัภิวัน